หับต่อ น, นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่าิสุ ม, มเิมณีอุมาสกคุมาสิกาฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ก็ต้องขอใช้วเวลามากหน่อยเพราะว่าเพื่อผลประโยชน์งนกาปฏิบัติการเจริญพระกรรมฐานทุกแบบอยากเป็นแบบไหนก็ตาม ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าก็คือหวังให้พวกเราคนจากความทุกข์ได้ไปผ่านดังนั้นท่านที่เจริญโมยิทิจัดว่าเป็นอิียาบอกวิชาสามก็ถือว่าเป็นคนที่ได้กรรมฐานอันดับเข้มแข็งที่สุดในพุทธศาสนาในการได้ทรงสมาธิและก็การใช้ปัญญาพิดเจริญน แต่ว่าพอแม้ก็มีว่าท่านที่ได้ไปแล้วโดยมากมักจะนำไปทิ้งกันซะบ้างไม่มีความพยันมั่นเพียรบ้างไปนั่งให้ตูสอบตูซ้อมใหม่บ้างคนพวกนี้เรียกว่าโมคาบุเป็นบุคคลที่แค่อดไม่ได้ไม่มีความเชี่อมันในตนเองขาดวิริยะความเพียร ดังนั้นหากหมา ค, ามคนใดที่มีสภาพจิตเป็นอย่างนี้ให้ตามโตเท่าไหม่เพื่อการสุดผลเพื่อกรรมฐ า, านนี้สมยัยก่อนก็ดีสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีสมัยหลังมานี่ก็ดีไม่มีใครก็ตามพันเอนาพันรอัำปฏิบัติเป็นเพียงแนะนำการปฏิบัติแล้วแต่คุณตามไปทํากันเอ ง, งเจนกว่าจะเกิดผลนี่เขาทํากันแบบนี้ แต่สมัครสมากคราวนี้ก็ให้โอกาสกับท่านผู้สุด <c oughs> ทั้งนี้ความเด็ดเลยของสมัครคูบาอาจารย์เป็นเพียงใดก็ไม่ได้คำหนึงต้องการให้จิตตัวล่างต้องต้องการให้จิตผู้ฝุดให้ทําให้ได้ผลดโดยรวดเร็วแต่แล้วว่าเมื่อให้ผลไปแล้วกลับมีความขี้เกียจสงสัยในตัวเองบ้าง ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่มีทางพ้นอบายภูมิฉะ น, นั้นผู้ที่ฝึกไปได้แล้วต้องมีความว ย, ยันหมั่นเปลี่ยนถ้ามีความสงสัยอะไรดูในต้องดูในใตรภูมิสวรรค์ท่านไหนมีอะไรว่างลมมีเท่าไรแล้วก็นิพญานมีสภาพแบบไหนนรกมีกี่ขุมเอาไปฝึกฝนกันเองให้มีการส่องตัว ถ้ามีความสงสัยเข้ามาถามครูโคตรสอนทย่งนี้มันถึงจะโูกไม่ใช่ว่าจะคอยเห็นครูก็นั่งพะาพน่งเานอนองอยู่กลายเป็นเด็กอมมืออันนี้ใช่ไม่ได้ <c oughs> ไม่สนเสริญคนพวกนี้ถือว่าเป็นโมฆะบรุษโมฆะสตรีเป็นคนไรประโยชน์ทัดสมบัติที่ก็าให้ไปคืออริยทัศให้ไปแล้วก็ทอดทิ้งไม่สนใจอย่างนี้ไม่น่าคุกใเสียแรง ดังนการต่อไปเมื่อฝึกผลในบ้านมโนยิธิแล้วนี่ก็จะพิ่งท น, นองตัวว่าเราเป็นคนดีดังนั้นว่าได้จะเพาะมโนยิธิเพื่อปัญญาเลยหรื <c oughs> อวิชาสามเราก็ยังมีเศษที่จะลงนรกที่ได้ดูตัวอย่างพระเทวทัตท่านได้ปัญญาห้ากออเหินได้อากาศได้นีมิตรอะต่ออะไรได้ อรรถชาติได้รั่วหนีรัวร่ ว, ว, วนายคนแต่ละวิสุดก็ลงเอเวทีพวกกิเลสเขาครอบงําจิตที่ว่ากิเลสเขาครอบงาจิตมันก็เพราะพ ว, เ, ว, พวเราติดอยู่ในโลกกระทำมมาาทั้นโมคกะลาธรรมะในวัฏจัก็เหมือนกันพราะจิตติดอยู่ในโลกกระทำแปดคืนหนึ่งติดลาบสองมาลาบเสื่อมไปก็เสียใจใจหิวแลสามติดยศ สี่มายดสลายตัวไปกัเสียใจห้าจิตสงเฉลิมหกไม่ชอบใจนินทาเจ็ดจิตสุโกลีวีใสแาดหวั่นไหวมอเกิดทุกข์อารมณัต้งเปี่ยแต่เรืการนี้แต่ลงก็ความเลวฉะนั้นเมื่อเราได้สัญญาจะมาบัดแล้วยังจะหลงไหลไฝันในโลกกระทำแปดก็ถือว่าเราเลวเกินไป ลาบคนที่ขรมรมรวยเนี่ยเขาตายไหมยศถาบรรดาศักดิ์ที่าได้ใหญ่แสนใหญ่สูงแสนสู ง, สงแล้วก็มีการเสี่ย ม, มีการตายไหมนินทาสรรเสริญมันมีอะไรทีม่มีความหมายสําหรับเราเขานินทาว่าเราชั่วถ้าเราดีมันจะชั่วไปตามเขาไหมเขาสรรเสริญว่าเราดีถ้าเราชั่วมันจะดีตามคําเขาพูดไหมมันก็กปล่าเท่านั้น ทำไมต้องไปยึดไอ้สุขในโลภีวิสัยเนี่ยมันทุกข์ม่นไม่สุขใช้วัญญาณเจรนานิดเดียวก็รู้เว้นไว้แต่ง่เง่าเต่าตุนเท่านั้นที่จะไม่รู้จักอะไรกินทุกวันขี้ทุกวันปวดทุกวันเมื่อยทุกวันหนาวทุกวันร้อนทุกวันง่วงทุกวันมันสุขเนี่ยมันทุกข์เล็กน้อยอาการอย่างนี้มันสุขแต่มันทุกข์ ในการมีผัวมีเมียเนะี่ยก็ความโงม่มาทีนี่มีอันนี้มันสอนให้คนเลิกผัวเลิกเมียไอ้ที่เราเกิดเกิดจะมาเนี่ยเพราะเราโง่ต่อไปนี้ไปแล้วก็ควรจะเลิกโง่เสียการติดในขันห้าคือร่างกายเนี่ยติดร่างกายของเราติดร่างกายขเขาบอกคนอื่นไม่ได้มองดูแลไอ้ร่างกายของเรานะีมันคุ้กแค่ไหน ร่างกายของชาบ้านน่ะมันทุกข์แค่ไหนไม่ได้มองถุกคิดว่ามันจะสุขแต่อภิโตชัยเตโตโกภิจะโตชายเตเป็นอย่งพระพุทธเจ้าสันนิษฐาความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักแทนทลายเกิดจากความรักดูด้วยความรักเนีมาสุขแตมัทุกข์รักมันสร้างความเสียใจรักมันสร้างการทลาย เพราะสิงที่เรารักคนที่รรักสัตว์ที่ ร, รักถ้ามันสูญหายไปเราก็เสียใจในของที่เรารักในะใครเขามาแตะต้องสอนิดหน่อยเัา ก, ก็โกรธใครเขามาหยิบมาฉวยมาลักมาขโมยของที่เรารักเราโ ก, กรธก็ต้องเข้าไปต่อสู้ราสรารต้องการสัตวสิ่งเจ้าก็ตาย อ, อันตรายมันก็เกิดไม่เห็นไหมว่าไอ้ความรักในโลภีวิสัยเนี่ยมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ดังนเราศึกษากันมาจงทัานได้มโนมิตรไปสวรรค์ไปสมมโลกไปนิพพานไปนรกแล้วทําไมยังไม่ดูตัวอย่างเขาอรมณ์ที่เขาไปสวรรค์ได้คืออะไรมีริโลตระปลักเป็นเหตุให้ไปสวรรค์มีริอายความชั่วโอตระปลักเกรงกลัวผลของความชั่วได้ผลความเดือดร้อน ความชั่วในที่นี้ก็หมายความวันหนึง่งอิตติอยู่นอกปัิเลเตมองคนนั้นดีมองคนนีนน้ชั่วไม่ได้มองดูตัวถ้าเรามองคนนั้นดีมองคนนี้ชั่วแล้วก็แสดงว่าเราเลวจริงเพราะว่าไม่ได้มองดูตัวเนี่ยเป็นปัจจินิเตเพราะการนีสองไม่ได้มองดูสิง สินอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่ามันจะดำไปแค่อค่อนๆในสิ่งนี้มันจะขาวศีนขอเราถ้าจะบริสุทธิ์แล้วก็นหนึ่งต้องไม่ทำลายศินได้ตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีนและก็สามไม่ยินดีให้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วแล้วต่อไปก็ไม่บังนิวร่านิวร่านี่มันชั่ว นอกจากโลกธรรมนักเจริญกรรมฐานจิตไปยุ่งกับาาอาการของชาวบ้านไม่ได้หนึ่งในการสองย้ายนิวนรณ์เขครอบงำจิตนิวรณ์นี่มันแต่อารมณ์ชั่วถ้าจิตของเราไปครอบในนิวรณแสดงว่าเราชั่วเราเลยยาวจำไม่ด้วยเลวตรนไหนนิวรณ์ข้นหนึ่งพอใจในรูปสวยรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุตามพอใจในเสียงเพราะ พอใจในสิ่งหอมพอใจในรสอร่อยจิดรสพอใจในการสัมผัสระหว่างนี่อารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์ชั่วในการดีสองพอใจในความสดพอใจในการจองรักจองสรร น, นี่ก็เป็นอารมณ์ชั่วข้อทีสาเวลาสร้างความดีมีความองค์ต่อกันก็ดีสี่ จิตไม่ทรงอยู่ในรมที่เป็นภูสมที่เราฝปิดพุ่งการทรงเดชปฏิบัการทาั้งปวงไม่จํา ค, คําครูบาอาจารย์สอนที่ชั่วแล้วถ้าสงสัยผลปฏิบัติของตัวอย่างที่นักปฏิบัติจะบางทีทําไปแล้วได้ไปแล้วเกิดความ ส, าสงสัยตัวเองอ้าทําเป็นเดชอุมมือให้ครูเขามาตัดมาซ้อมมาสอนใหม่ยานี้เร็วสิ ถ้าลอย่างนี่นี่มีอยู่สแสลงว่าท่านเร็วจับถ้าอย่างเนี่ยถ้ามีอยู่เร็วจับเร็วเต็มทีเพราะจิตมันเร็วนี่หวนมันเข้ามาสิงใจนี่หวนเป็นเรื่องการความดีท่านจะดีอะไรได้คนดีสุดตายแล้วก็ลงนรกตอนนี้บัตเทไวย์มันก็ไม่ลง น, นรก <c oughs> ในก็ต่อไปก็ไม่ไมองพมีหารสี่ที่เาอนว่านักปฏิบัติเนี่ยต้องทรงพมีหารสี่เป็นปกติเือหนึ่งรักคนอื่นรักตัดเอนเข้ากัรักตัวเราสองมีความสงสัยเขาเพื่อเพื่อคูให้มีความสุเรื่องสีไม่ช้าหรสัญญาใครเห็นใครได้ดีก็ยินดีด้วยแล้วก็มองเห็นตัวความดี ว่าทำไมเขาจึงดีเราทำตามนั้นบ้างมันก็ดีไม่จะแข่งขันกับเขาตามดีครับแล้วก็ห้าอุมเวกขาความวานเฉยเนี่เมื่อทุกขเวทนามันเกิดขึ้นกับกายกับใจแล้ว ก, ก็วานเฉยถือว่ามันเรื่องธรรมดานี่นักปฏิบัติจะต้องทรงอารมณ์ตามนี้มันถึงจะได้ดีถ้าไม่ทรงอารมณ์ตามนี้จะมันไม่ได้ดีหรอกมันเร็ว นี่เป็นการทรงขั้นต่ำที่สุดเรียว่าสามารถจะทรงจิตไม่แค่ฌานโลกีเท่านั้นแต่ว่าพวกเราขึ้นไปสวรรค์ได้เป็นประสมได้เป็นปฏิพาน ไ, นาได้มันน่าจะศึกษาเรื่องนี้ไปวางใจให้มันถูกต้องมาาาีวิทยาอุปสาหถือว่าโตแล้วไม่ต้องปไปรบกวนใครเาอีกความรู้เขาแนะนำให้รูเข้าไปปลุกไปปล้ง เหน็เหนื่อยแบบนี้มันไม่มีในสถานที่ไหนมันมีที่นี่ที่เดียวถ้าเราเป็นเด็กอมมือประเภทนี้แล้วก็รูเขาจะไหวไ้มเอาจ้างเขาให้น า, ท, าทีละเท่าไรล่ะเพียงเขาแนะนําให้เรารู้เส้นทางเท่านี้ก็พอดีสมถิญไปเมื่อก่อนนี้ไม่มีเป็นเพียงบอกก็ได้ปากเปลา่าตางคนต่างก็ไปทํากันสมเด็จตระสมาชิกับเจ้าก็เช่นเดียวกัมมกกกกวน อย่างพระฤรวัฒน์ท่านเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบฟังกรรมฐานย่อเจ้าพระค้างไว้ก็เ ข, ข้าป่าไปปฏิบัติเมื่อได้อ่านเป็นสมิทายังนั่งคนเข้าไปองค์เดียวของท่านไม่ได้อยู่กับใครเลยเนี่ยดูตัวอย่างานี้ปังอันนี้ต่อไปก็จะขอพูดนี่แรมเบื้องตนนะเป็นแรมเบื้องท่ินผสานมาเ น, นี่นักปฏิบัติจะต้องทรงให้ได้เป็นปกติ จะทําโยกเจียรโยกเจียรโยกเจียร์แมันไม่พ้นนรกแน่นอนถึงทําได้ทำนั้นแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพ้นนรกอันนี้การที่จะทําให้มันพ้นนรกกรรมฐายก็จะดีขึ้นนั่นเปนเริ่มต้นนี่เราจะตรงกรรมฐานก็ดีใส่ปุ๋ยก็เป็นไงอาการใส่ปุ๋ยกรรมฐานดีไม่มีตก ได้แค่ไหนอยางเร็วที่สุดอยู่แค่นั้นไม่มีลดลงและยังเม่ก้าวขึ้นอาการอย่างนี้ก็คือหนึ่งยังให้ดีนะทุกคนปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเก่าเหมือนกันหนึ่งจะต้องมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายอยู่เสมอถึงความตายเดยของปกติของร่างกายเพราะเราเกิดมาเพื่อตาย ทุกคนไม่มีใครไม่ตายแต่คิดไว้เสมอว่าถ้าจะตายคราวนี้ก็ไม่ยอมเกิดเป็นมนุษย์ไม่ยอมเกิดเป็นธราไม่ยอมเกิดเป็นส้มเพราะมันไม่เ้นทุกเราต้องการที่จะตายแล้วมามองความตายคิดว่าด่างกายนี่ความจริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะถ้ามันเป็นเราจริงเป็นข้อเราจริงเราไม่ต้องการให้มันแก่ก็ต้องไม่แก่ เรามืต้องการให้มันป่วยก็ไม่ต้องมันก็ไม่ป่วยเราเม่ต้องการให้มันตายก็ต้อไม่ตายถ้านี่มันจะตายถ้ารมันจะเป็นเราเป็นเาะเราเครในเมื่อมันจะตายแล้วตายคราวนี้ไม่ยอมเกิดเป็นมนุษย์ตายตายไปเลยไม่ยอมเกิดเป็นเทวดาไม่ยอมเกิดเป็นพรมไม่ยอมเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดตัวกระจายสัตว์อินันเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานเน้นเมื่อเราต้องการพระนิพพานทำไง ต้องใช้ปัญญาหนึ่งพิจะนัยคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนเบื้องต้นก็คือสินห้ามองดูสินห้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเมื่อที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติลำบากเล่นๆหรือว่ามันมีผลดีมองดูหนึ่งการไม่ไม่เป็นสตรูซิ่งกันลดกันเแต่เราคงไม่ตาความรักที่เราบูรณาปฏิบัติ แต่างคนต่างเห็นหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสิ่งอะไรกันอันนี้มันจุกล้มันทจบมองปัจจุบันในการถ้าเราไม่รับไม่กระตางคนต่างไม่รับไม่ขโมยทรัพย์สินสิ่งอะไรกันถ้าแต่เคารพสิทธิสิ่งอะไรกันนี่มันเป็นที่รักของแต่ละคนแล้วเราดูที่หน้าเกิดต่างเล็กดูแต่หลวงพ่อสุขสุข โดยการที่สามกรเมีสมิชาจารให้การยื้อแย่งความรักของคนอื่นให้ความรักผูกครองมันยจงสวยสดสวยงามกันอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่เราเนี้ก็มีการสุดโต๊ดในเรื่องความรักระหว่างเพศนี่มันก็ไปขาคนรักที่ไหนก็มีทนเถไปทําไมต้องไปแย่งคนรักเขาถ้าเราไม่แย่งคนรักเขาเขาใจเราเขาจะเกลียดต่อรักเราเอาใจเราก็งคนที่ต่าง ได้ลเลยการที่สี่พระพุทธเจ้าทรงและนำพูดจริงๆนะอย่าโกหกกันเราเียกคนโกงเช่นใดเขาเกิดโกงน้เนั่นเราไม่โกงก็เป็นทีละของเขาเการที่ห้าเราไม่ดื่มน้าเมาไอน้ำเมาเนี่ยสร้างคนให้เป็นคนบ้าทาไมเราชอบบ้าไหมล่ะถ้าชอบบ้ า, าก็กื่มมันไปไอน้ำเมา ไอ้บ้ากพรวันบ้าจริงๆแลนดีกว่าบ้าเพราความผานี่เป็นอันว่าเราหน้าพิจนลาสินห้าคอที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีเรามีหวังลงนรกแน่แต่ดีหรือไม่ดีต้องใช้ปัญญาจาคนมีปัญญาก็ต้องเหนว่าดีการไม่เป็นศัตรูกันเป็นพิรักเรื่องกันละกันมันก็มีความสุขหน้าตายิ้มแย้มแจ่ไใส ไม่ร mm ักไม่ขมวดสิ่งอะไรกันไปที่ไว้วางใจกับพวกคนได้สนิทไม่แย่งคนรักซึ่งอะกันก็เป็นเรี่องดีๆซึ่งอะกันไม่โกหกมั่วให้จะเป็นที่น่ารักไม่บ้าอย่างเดียวปฏิไลสังคมคนยอมรับยะนั้นไม่แม่เห็นว่าศินดีแลเราต้องรักษาสินให้มั่นคงเอาสินจับเป็นอรงณ์ของใจก่อนจะหลับสําำโธสินว่าวันนี้ครอบคัวไหนบ้าง ตื่ขึ้นมาใหม่ตั้งใจสรงสินให้บริสุทธิ์ในขณะโลกจะทำปาิกิริยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนินทาเดชผลเสนนี่นะแก่วอย่าให้มันขึ้นมาอยู่กับใจรวมความว่าเราตั้งคิดว่าเราจะต้องตายเราไม่สงสัยในศีลที่พระเจ้าทรงสอนเราสรงศินให้ไม่คงให้ไม่คงจริงๆนะ แล้วก็มีผลิตภาน์เป็นอารมณ์ทั้งนี้อารมณ์กเรร็เราก็ยังมีความรักในระวางเพศจะมีการแต่งงานแต่อยู่ในขอบเขตของสิเราก็ยังมีความโกรธอยู่บ้างแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของสิโกรธจะไม่ฆ่าเขาเรายังมีความหลงอยู่บ้างแต่เพราะว่าใจเรารักผลิตพาน์เป็นอารมณ์ถ้าทําได้อย่างนี้เป็นปกติ ตัวนี้เป็นตัวดึงกรรมฐ า, านไมน่ลดตัวลงมีแต่ว่าจะดีขึ้นความจำใสขอ้อจิตจะมีขึ้นทุกวันได้ดจิตใจทรงตัวยังไได้เพราะอารมณ์จำใส่เป็นปกติกลายขึ้นไปสู่ทัศต่างๆจะมีแต่ความจำใสไม่เ่ราหมอ ง, อ, งอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกกัว่าพระโสดาบัน ได้ควายติงและปฏิบัติที่ปฏิบัติประจําชนะมาเขาก็เลยนม่เป็นหมดแล้วถ้าจะเป็นแล้วโสดาแจะไม่เป็นก็ไม่รู้ล่ะแต่เราไม่คนเลยไปแต่เรืองอย่างนี้พระพุทเจ้าจะมีแบบโสดาบัตถถ้าเรืองอย่างนี้เราท่งตัวได้แล้วก็ก้าวไปช่วงหนึ่งเห็นว่าร่างกายขอเรานี่มันจะต้องพังมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทีง ร่างกายนอกกว่ามันจะตออจากมันจะพังแล้วมันมีสภาพว่าเป็นความทุกข์ถร่างกายของเราลุกแผลและสกปรกดูทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายไม่มีอะไรสะอาดเลยคนดีเห็นว่าร่างกายสวยถ้าร่างกายสะอาดเป็นคบ้าไม่ใช่คนดีอย่าว่าคนโง่ไม่เห็นคนโง่ไม่ทำอะไรรุ่งรง คนบ้าแต่งโน่นแต่งนี้แต่นั่นแต่งโน่นแต่งนี่แต่งบาบ้าบอไปพวนี่สุดไอ้ตัวที่แต่งมันทงตลอดการตลอดสมัยไหมก็เปล่าหลอกหลอนตัวเองที่จหลอกนี่คิดว่าทำยังลีมันสวยคิดทำนี้มนเก่งแต่ว่ากลับตกแต่งข้างนอกและข้างในน่ะไปอันล้างอจาระปัสสาวะน้ำเลือดทั้งเรือแลันนองไม่ออกหมดไหม เป็นนันวาดก็เอาภาพแปรมาหุ่มหุ้มอุจาระท้างในมันจะไม่จะฟังสุขสนุกนี่มองดูตัวเราแล้วก็มองดูคนอื่นมองให้เห็นภัพมันมีแต่ภาพสุขสนุกแต่ต้ไปนั่งนึกมากอะไรของมันมีอยู่แล้วถ้าเราไม่โง่กเอาตาวุูนที่อย่างเดียววไม่มีอะไร มองตาความเป็นจริงให้เส่วนที่เราต้องการมันก็เอาดสกปรกร่างกายท้าน่างกายมันสกปรกหมดแล้วก็มองดูต่อไปว่าอร่างกายที่สกปรกนั้นมันยั่งยืนไหมมันเสี่อมตัวไปไหมแล้วมันพังไหมในทสุดเป่นอันว่ามันไม่ทรงตัวไม่ยั่งยืนมันซุกซ่อนไปทุกวันในที่ร้างมันก็พัง ที่เราทำไมเฮียนหลงไหลไปฝันไอ้ร่างกายเลวๆแบบนี้เรื่อการอารมณ์ทุกชนิดเลวที่สุดสกปรกที่สุดเล็ดูนี่จะภาพความไป่จริงคนที่เคยมีผัวมีเมียมันเรื่ออะไรตัวไหนบ้างมีแต่พบกับไฟสุกปรกมีแต่พบกับความทุกข์ความกัดกรูทำไมเราจมจิตใจจมความโง่อยู่แบบนั้นเราถอนตัวเลิกไม่งง ให้ที่เจริญร่างกายทองเราคนดีเพราะบางคนอื่นคนดีว่ามันมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกเวรนักตายที่สุดทุกทางทุกตัวมันทุกวันแล้วก็ทางตายแน่ในเมื่อมันตายแน่แลเราจะสนใจอะไรกับร่างกายปแบบนี้ดีมันนอกอยากจะตายยังไม่ตายก็สกปรกตายแล้วก็สกกรกมากขึ้น เป็นนั้นว่าดับความในความต้องการของความสวยสดงดสวยสุดงงามเสียมันไม่มีอะไรสวยเอาจิตยอมดับตั้งใจฝังจิตแล้วต่อไปดับที่สองก็คิดให้อภัยทำจิตให้อภัยกับคนคิดทั้งนี้เว้นไว้แต่ตามระเบียบที่ไหนใน <c oughs> ระเบียบที่ไหนสกันลงโทษกันไม่เพียงความโกรธทั้งที่ว่าต้องการให้คนเป็นคน ถ้าไม่ดีก็ต้องลงโทษดูตัวอย่างพระเจ้าวางกดลงโทษพระวันที่สามร้อยสาบทเสร็จพระนี่ไม่ไีสินสองร้อยี่สิบเจ็ดนะยังมีพิสมาจาันร้อยกว่าเป็นแล้วพระนี่พระเจ้าวางกดลงโทษละสามร้อยมากกว่าใครใคลองเลยนะพเจ้ า, าไม่ดีใช่ไหม ที่พระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ต้องการให้เป็นคนดีพรคพาปแปลว่าบัตเสดต้องการให้เป็นคนบัตเสดเป็นคนดีอันนี้ไอ้การที่ว่าเราจะไม่โกรเขาแต่ว่าต้องลองโทษตามระเบียบนี้ไหนตามกฎหมายตามกฎข้ระเงคับนี้อันนี้เขาไม่ถือว่าเป็นการโกรธเป็นการหวังดีไอ้คนที่เราจะต้องโกรธแต่เราจะต้องไปฆ่าเขาไม่ต้องทาร้ายเขา ที่จะไปฆ่าเขาทำไมเขาก็ตายอยู่แล้วจะทำร้ายเขาทำไมเขาก็มีความทุกข์แล้วก็บวกเราจะโกรธหรือไม่โกรธเขาก็ตายเราจะโสดหรือไม่โกรธเราก็ตายอารมณ์ความรักเราจะรักหรือไม่รักก็ตายเราก็ตายเราจะรักก็ไม่รักเขาแก่เขาก็ตายแม่ตายคนตายตายแต่คนต่างแก่ตางคนต่างต้องมีทุกข์เอาจิเข้าไปบวกกันทำไม แต่นเ้อว่าร่างกายที่เขาตรงอยู่มันก็ไม่ใช่ของเขามันเปลือกที่เต็มดความสกปรกมีสภาพเป็นส่วมให้นึกว่าร่างกายของคนจับทั้งหมดจะเป็นอะไรคือส่วมดีๆในเองส้วมเคลื่อนที่พูดจากตอนที่พระเจา้าทรงกับว่านา ม, มาคณินยาเนี่ยได้งกายเต็มไปด้มูตการิไอ้มูตปัตตะวะการิสุจาระจะพูดภาษาไทยมูตคือเหี้ยว การิสุขีร่างกายลูกสาวขเธอนี้เต็มบริ้วยขี้เดี่ยวแม้แต่เท้าพายยังอยากจะแตกต้องต้องใช่อารมณ์นี้อารมณ์ความเป็ีจริงพอไม่สุดอารมณ์ก็คลายตัวคลายตัวในความผูกพัคลายตัวในความในความโกรความคิดบัตอนคลายนี่จะเรียกการนาครับในสุดที่พิจารณาไปพิจารณาไปเห็นคนปับมีสภาพเหมือนช่างกับ มันเหมือนกับตกขึ้นอีกแสงคนก็ทําไม่ดีแท น, น, นที่จะกับพิบหนใจว่า น, นี้มันบ้าพอเรามายอมบ้ากับมันอารมณ์ก็ไม่มีอรารมณ์ความรักระหว่งางเส้นเมยอย่างนี้ท่านเรียกว่านาคา น, นี่ถ้าทำอย่างเดืยวตอนดีแล้วมาทํำถึงตรง น, นี้ถ้าทำถึงตรง น, นี้แล้วอกายเคลื่อนไปในชั้นต่างๆแล้วมันสว่างมันก็ไปฟขนาด อีกใจเป็นจ่มใสมีความสว่างสบายพอแลม่ก็เป็นไม่ก็เป็นปนั่งจำที่แจ่มใสเป็นเด็กอมมือต้องซ้อมต้องซักต้องซ้ อ, ซกอซกมกันอยู่เสมอนี่เลวจัดเพราะว่าเราให้โอกาสในขนาดนี้แล้วยังจะต้องทําเป็นเด็กอมมืออีกไว้ควรอแอบไปไม่เป็นอ น, นว่าในขั้นสุดท้ายตัดสินกําลังใจรวบรัดนี่ก็คนที่นั่งอยู่มีหลายชั้น <c oughs> โลกรักําล <Yes. S 1> ังใจเราจะตัดความพอใจในโลกมนุษย <Yes. S 1> en uh ์คือว่าโลกเป็นโลกแค่ไม่ต้องการอีกสิ่ที่เราต้องการคีกที่หนึ่งตอนนี้การจะมีได้มีได้เพราะสังขารเป็ขายางจิไม่สะเทอสะท้านไม่หวั่นไหวไม่ดีใจในเพื่อพบของดีของเลวเฉยๆเห็นของดีมก็เลุของเลวมัเลวเขม่มีการตัว ความอยากได้จริงๆไม่มีเว้นไว้แต่สิ่งนั้นจะทำประโยชน์นี่ข้ามดาท่านพุทธบริษัททุกคนต้องปฏิบัติอย่างนี้ท่านใจเข้มแข็งแบบนี้ในใจแบบแม่ไปไปมาอะไรแบบจะเสียยมไปเสรดาจะลืมไปจะได้จะมัวหมองไปจาให้แอบแฝเก็บกมมือแบบนี้นะขีดโกดชาติมันจะลงแล้วรับกันไม่มีทางจะไปไหน ถ้าตอนนี้ไปขอท่านที่ปฏิบัติใหม่ให้ใจกำลังใจแบบนี้เวลาให้ใจเข้านึกวันละมาเวลาให้ใจออกนลกว่าพาดพระถ้าเวลาที่กำหนดลงรู้ให้ใจเขาออกภาวนานี้ททำใจจะเปันสบายแลยยิงเค่งเครียดเกินไปทำใจเป็นสุขแต่บาเอิญมันจะรอดไปคิดแก่อื่นบ้างเปของธรรมดาเวลาที่ครูเขาไปพัอนตอนั้นหยุดทำภาวนาเสีย เมื่อกำลังรู้ลงแนกออกได้แค่รู้ไปจนกระไดจะไม่พอนานอามคำของครูและนำครูและนําอย่างไรตัดหินใจไปตามนั้นทันทีจะไปดึงไว้ให้จิตมันเห็นไปตามนั้นเราเป็นคนมีปัญญาไม่ติฟุ้งโลดไม่ใช่เพื่อไปจะไหมายมีจิตมีใจรู้เห็นขอสภาวะควางความไป่ิงอยู่เสมอแล้วก็คำว่ารู้คำว่าอย่างนี้คืความรู้สึกของจิตสมัย แต่ต so ่อไปพระบรรดาพระทศวรรษทุกท่านสร้างกายสร้างอารมณ์ติดแหม่มการหนับรู้เราไม่ใจเข้าออกและก่อิจารณาภาวนาตามปฏิยาสายเป็นกว่าจะเองผู้ยานบอกเวลาผู้ใหม่นะเขาบอกเวลาคลีสเรากำลัจะเพ่งลืมตาเนะเป็นเวลาที่ครูก็เป็นแรงหนัก